การระวังใจสาคัญยิ่งนักการระวังใจจึงสำคัญยิ่งนักปล่อยใจให้คิดสูงส่งงดงามไปด้วยบุญกุศลชาตินี้ก็เป็นสุขเบิกบานด้วยอำนาจของบุญกุศลที่ใจคิดถึงละชาตินี้ไปแล้วจะได้มีชาติใหม่ที่งดงามควรแก่ความงดงามของความคิดที่อยู่ในจิตใจ ผู้พรั่งพร้อมด้วยสมบัติทั้งกายและทางใจที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันคือผู้ที่เป็นไปตามอำนาจของใจในอดีตอันย่อมมีผลสืบเนื่องถึงอำนาจของใจในภพชาติใหม่ด้วยส่วนผู้ที่ปล่อยใจให้คิดต่าสามชั่วร้ายด้วยบาปอากุศลชาตินี้ก็เป็นทุกข์เร่าร้อนด้วยอำนาจของบาปอากุศลที่ใจคิดถึง หลักไปแล้วจะได้มีชาติใหม่ที่ต่าสามบกพร่องควรแก่ความต่ําช้าของความคิดที่มีอยู่ในจิตใจผู้ขาดแคลนทั้งรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติที่เห็นกันอยู่ไม่น้อยในปัจจุบันคือผู้เป็นไปตามอำนาจของใจในอดีตอันย่อมมีผลสืบเนื่องถึงอำนาจของใจในพบชาติใหม่ด้วยจึงพึงระวังความคิดให้อย่างยิ่ง ให้งดงามด้วยบุญกุศลไว้เสมอจะได้ไม่ต้องมีสภาพที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนาความคิดเป็นเหตุแห่งสุขและทุกข์ความคิด เป็นเหตุแห่งความทุกข์และความคิดก็เป็นเหตุแห่งความสุขได้พึงรอบครอบในการใช้ความคิดคิดให้ดีคิดให้งามคิดให้ถูกคิดให้ชอบแล้วชีวิตในชาตินี้ก็จะงดงามสืบเนื่องไปถึงพบชาติใหม่ด้วยระวังความคิดให้ดีที่สุดเพราะความคิดที่ผูกพันในสิ่งไม่สมควร ที่ทําให้พระภิกษุองค์หนึ่งต้องไปเกิดเป็นเลนอีกองค์หนึ่งต้องไปเกิดเป็นไก่อยู่หลายภพหลายชาติเราทั้งหลายหาได้มีบุญสมบัติเสมอพระภิกษุทั้งสองนั้นไม่ความคิดที่ผิดพลาดของเราจะมินำเราไปเป็นอะไรที่น่ากลัวเหลือเกินหรือ เปรียบเช่นดังร่างกายความคิดก็เหมือนร่างกายเหมือนต้นหมากรากไม้ต้องการความดูแลรักษาไม่เช่นนั้นก็อาจจะไม่เติบโตเจริญงอกงามหรือเติบโตก็อย่างระเกะระกะไม่เป็นระเบียบงดงามเป็นคนก็ไม่เรียบร้อยไม่เป็นที่เจริญตาเจริญใจ ใครที่ไหนเล่าจะชื่นชมคนเช่นนั้นความคิดหรือจิตใจก็เช่นเดียวกันต้องให้ปุ๋ยเสมอคือให้ความถูกต้องด้วยปัญญาด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบว่าความดีหรือบุญกุศลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับที่จะประคับประคองชีวิตไปสู่ความถูกต้องดีงามนาน า, นาประการอย่าอยู่อย่างประมาท อย่าปล่อยความคิดให้วุ่นวายเปกปักไปเหมือนปล่อยเด็กเล็กๆให้เดินโซซัดโซเซไปตามลำพังย่อมมีทางหกล้มหกลุกแขนขาหักหรือหัวร้างข้างแตกหรือถึงพิกลพิการได้ถึงเป็นถึงตายก็ได้ความคิดที่ไม่ได้รับความประคับประคองให้ดำเนินไปถูกทํานองคลองทำย่อมมีทางเดินไปสู่ความหายณะได้อย่างแน่นอน เกิดเป็นคนเร่งรักษาจิตให้จงดีเกิดมาเป็นคนมีอวัยวะครบถ้วนไม่พิกลพิการไม่ไร้สติเป็นบุญนักหนาแล้วเร่งรักษาจิตให้จงดีให้อาหารที่ประโยชน์ที่สุดอย่าปล่อยให้เปรปักไปแสวงหาอาหารตามชอบใจจะต้องหลงไปพบอาหารที่เป็นพิษแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคนี้สมัยนี้มีอาหารที่เป็นโทษเป็นพิษร้ายแรงแก่จิตใจมากมายเต็มไปทั่วทุกคนทุกแห่งโอกาสที่ใจจะหลบหลีกให้พ้นพิษภัยเหล่านั้นยากมากสติปัญญารักษาใจที่เพียงพอเท่านั้นที่จะทำให้แลเห็นช่องทางหลบหลีกพิษภัยเหล่านั้นได้สามารถรักษาใจให้พ้นพิษภัยร้ายแรงมีความสวัสดีได้ แม้พอสมควรการตายทั้งเป็นนั้นน่าหวาดกลัวยิ่งนักใจที่มีความคิดอักอยาพิษร้ายเป็นใจที่ทําให้ตายได้ทั้งเป็นอันการตายทั้งเป็นนั้นน่าหวาดกลัวยิ่งกว่ามากมายนัก ผู้ที่ตายทั้งเป็นคือผู้เป็นคนเลวในสายตาของคนดีเป็นที่รังเกียจของสังคมคนดีไปสู่ที่ใดจะไม่มีความหมายเหมือนเป็นความว่างเปล่าปราศจากการต้อนรับที่ท่านเปรียบว่าตายทั้งเป็นก็เช่นนี้ด้วยคือไม่อยู่ในสายตาในความสนใจของผู้ใดเห็นก็เหมือนไม่เห็น จึงเป็นเหมือนวิญญาณที่ไม่มีร่างยิ่งกว่านั้นผู้ที่ตายทั้งเป็นคือผู้ที่เป็นด่างซากศพที่เน่าเหม็นเป็นที่ยินดีพอใจเข้าห้อมล้อมหนาแน่นของเหล่ า, มาแมลงวันหรือหนอนน้อยใหญ่เท่านั้นนั่นก็คือคนตายทั้งเป็นด้วยกันหรือคนไม่ดีด้วยกันเท่านั้นที่จะยินดีต้อนรับพวกเดียวกันคนดีจะไม่รังเกียจคนไม่ดี ไม่มีเลยกรรมมีผลจริงผลของกรรมมีจริงกรรมมีจริงผลของกรรมมีจริงกรรมดีให้ผลดีจริงกรรมชั่ว ให้ผลชั่วจริงผู้ใดทำกรรมใดไว้จะเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นผู้ไม่ได้ทำหาต้องได้รับไม่ความเข้าใจผิดในเรื่องนี้มีอยู่ให้ได้ยินได้ฟังหนึ่งเนืองเช่นมารดาบิดาทำไม่ดีต่างๆนานาให้เห็นเกิดเหตุการณ์รุนแรงแก่ชีวิตบุตรทิ่ดาก็มักจะกล่าวกันว่า ลูกรับเคราะห์แทนมารดาบิดาบ้างหรือลูกรับกรรมแทนมารดาบิดาบ้างความจริงไม่เป็นเช่นนั้นกรรมของผู้ใดผลย่อมเป็นของผู้นั้นจะรับผลกรรมแทนกันไม่ได้ไม่มีมารดาบิดาทำไม่ดีทำบาปทำอกุศลยังอยู่ดีมีสุขเพราะผลของบาปอากุศลยังส่งไปไม่ถึง แต่บุตรทิดาที่ไม่ทันได้ทําบาปทําอกุศลกลับต้องมีอันเป็นไปต่างๆนั้นนั่นเป็นเรื่องการรับผลของบาปอากุศลที่ทําไว้ในภพชาติก่อนที่ตามมาส่งผลในภพชาตินี้แน่นอนบุตรทิดาผู้ได้รับผลไม่ดีต่างๆนาน า, นาต้องทํากรรมไม่ดีไว้ในภพชาติหนึ่งแน่นอนแต่เราไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้น ไม่ใช่บุตรทิดารับผลกรรมแทนมารดาบิดาผู้ที่จะเกิดร่วมกันเป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกกันต้องมีกรรมดีกรรมชั่วในระดับเดียวกันไม่แตกต่างห่างไกลกันจึงทำให้เหมือนลูก ร, รับกรรมแทนแม่พ่อผู้ทำบาปอตุศลลูกที่มารับผลไม่ดีต่าง ขณะที่แม่พ่อเป็นผู้ประกอบกระทำกรรมไม่ดีนั่นเพราะกรรมไม่ดีของลูกส่งผลทันในระยะนั้นจึงทำให้ยากจะเข้าใจได้จึงทำให้เกิดความเข้าใจสับสนกันมากกรรมของคนหนึ่งผลจะไม่เกิดแก่อีกคนหนึ่งแน่นอน สเสียงอ่านหนังสืออำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรมพระนิพนธ์สมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆบาริณายกเสียงอ่านโดยโจโฉขอบคุณเป็นพิเศษสําหรับคุณตองพีที่กรุณาให้นําเสียงบรรเลงเปียนโนมาใช้ประกอบเสียงอ่านนะครับสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง สามารถเผยพระเสียงอ่านโดยโจโฉได้ไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น เ, าาเคนจผู้ใ เกิดกับฉันได้ไงสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไมว่าทไมว่าเพราะอะไรเใครทีนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทต้องทนดูเหตุผล โทษฟ้าโทษดาวนในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะร้าจะดีมันอยู่ที่รูวเธอนั้นเองอยางให้ลองดูเรื่องกันคือการประทันของเธอไม่คิดในใจ แม่คอยสมทนาลึกลัลบมคนคงสมกันทำอะไรทำดีหรือลวันนั้นคือกันแมดละดไมแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรง คำดีมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปเธอจ่ทำ